พระบัญญัติ991ก็ภิกษุณีใดช่วยทำการขวนขวายเพื่อกคระห์ต้องอบัตภาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ